แต่เราใช้ว่าธรรมะจักุงอุทธ ป, ธธปธัทิจักขงุทปัทิท่านใช้เวลาสวดในธรรมะจั ก, กขงุทธปัทิญาณังุทธปัิปัญญาุทธปธัิวิชาวุทธปัิอโลโกุทธปัิจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราคาว่าจักสุนี่มนไม่ได้หมายถึงมังสะจักสุแต่หมายถึงปัญญาจักสุเพราะฉะนั้นปัญญาจักสุตรงนั้นประกอบด้วยญาณวิชาปัญญาและแสงสว่าง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 การสุขอนิการนโยบแต่ส่วนที่ต้องดําเนินให้แน่นอนชัดเจนคือมัชฌิมาปฏิปทาแต่มัชฌิมาปฏิปทานั้นเป็นไฉนแต่ท่านบัญญัติถึงอริมักมีอุปแปดเข้ามาเป็นเกณฑ์ตัดสินดังนั้นขณะนี้เราก็ทําอยู่2ตัวข้างต้นนี่คือสมาธิทิฏฐิกับสมาสังกปะสมาธิทิฏฐิของเราจะชัดหรือไม่ชัดมาดูว่าทุกเกิดทางกายเราเห็นมันชัดไหม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 มันจัดการออกได้ 4. ียายัตสะอาทิคมายะเราสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจอันนี้ได้ไม่ยากบรรลุทําได้ไม่ยาก 5. นิพพานสัจจิกรันถายะสามารถทําความดับความเย็นของเวทนาทั้งกายและจิตให้ปรากฏได้แม้แต่ทีละขณะทีละขณะก็เริ่มไปก่อนเวทนาสมมุนทั้งท่านนี้เราร้อนใช่ไหมปวดเมื่อยก็ปรับ